เรื่องภิกษุผู้ปรารภวิปัสนาพระศัสดาประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปรารภพวกภิกษุผู้ปรารภวิปัสนาได้ยินว่าภิกษุห้าร้อยรูปเรียนกรรมฐานในสำนักพระศัสดาแล้วคิดว่าเราจะทำสมณธรรมไปสิ้นทางประมาณหนึ่งรอยโยช์ถึงหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านหนึ่งชาวบ้านจึงนิมนต์ถวายด้วยพัะตาหาานันปรานีต แล้วนิมนต์อยู่ตลอดสามเดือนให้เข้าไปอยู่ในป่าใหญ่เทวดาทั้งหลายพูดสิงอยู่ในป่าใหญ่นั้นคิดว่าพระผู้เป็นเจ้ามีศีลไม่ควรอยู่บนต้นไม้พรุ่งนี้คงจะไปจึงลงมานั่งบนพื้นดินวันรุ่งขึ้นภิกษุเข้าไปบิณฑบาตแล้วกลับมายังป่าพวกเทวดาคิดว่าพรุ่งนี้คงจะไปแน่ดังนี้แล้วก็พากันพักอยู่ที่พื้นดินนั่นเอง ประมาณครึ่งเดือนพวกเทวดาคิดว่าเห็นจากอยู่ในที่นี้นั้นแลตลอดสามเดือนที่พวกเราแม้นจะขึ้นไปนั่งบนต้นไม้ย่อมไม่ควรถึงแม้จะมีสถานที่จะพาเอาพวกบุตรและพันยานั่งบนพื้นดินทั้งสามเดือนนั้น<ม>ก็เป็นทุกข์ของพวกเราจึงคิดอุบายหาทางกระทําให้ภิกษุเหล่านี้หนีไปเทวดาเหล่านั้นเริ่มแสดงร่างผีหัวขาด ทำเสียงอมนุษย์ในที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันและในที่ทางเดินจงกรมนั้นๆโรคทั้งหลายมีไอจามเป็นต้นได้เกิดแก่ภิกษุแล้วต่างถามกันละกันว่าโรคอะไรเสียดแทงดังนี้กล่าวว่าวันนี้ได้เห็นร่างผีหัวขาดเป็นร่างผีในที่พักกลางคืนได้ยินเสียงอมนุษย์ในที่พักกลางวันที่นี่เป็นที่ควรเว้น ความไม่พาสุกเกิดขึ้นแก่เราจึงพากันกลับสำนักพระาศาสดาพระาศาสดาทรงประธานอาวุธเราจะให้อาวุธแก่เธอพระองค์ทรงตรัสเมตสูตรว่าผู้รู้สันตบทคือบทอันสงบพึงทำศิคาสามหมวดคือศึกษาสามเรื่องได้แก่ศีลสมาธิปัญญาผู้ฉลาดในประโยชน์ ควรทำสิขาสามหมวดนั้นพึงเป็นผู้องอาจเป็นผู้ซื้อตรงเป็นผู้อ่อนเป็นผู้เมทนงตัวเป็นอาธิภิกษุทั้งหลายเธอพึงสัธยายเมตตาสูตรนี้ที่ในป่านั้นทั้งภายในภายนอกวิหารภิกษุเหล่านั้นกลับไปแล้วพากันสัธยายเป็นหมู่ในภายในภายนอกวิหารพวกเทวดาในป่าทั้งสิ้นนั้นได้เมตตาจิต กลับทำการต้อนรับภิกษุเหล่านั้นถามโดยเอื้อเฟื้อถึงการรับบินทบาทจีวรถึงการนวดเฟ้นกายทั้งหลายอารักขาให้อย่างเรียบร้อยในที่นั้นเทวดาได้เป็นผู้นั่งสงบดั่งพนมจักขึ้นชื่อว่าเสียงอมนุษย์มิได้มีแล้วในที่ไหนจิตของภิกษุเหล่านั้นมีอารมณ์เป็นหนึ่งยังจิตให้ลงวิปัสสนาเริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อมไปในตน และคิดว่าขึ้นชื่อว่าอัตภาพนี้เช่นกับภาชนะดินต้องแตกไม่มั่นคงดังนี้ได้เจริญวิปัสสนาแล้วพระศาสดาทรงตรัสคถากากับว่าอย่างนั้นนั่นและภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าอัตภาพนี้ย่อมเป็นเช่นกับด้วยภาชนะดินโดยแท้เพราะว่าต้องแตกไม่มั่นคง ทรงใช้สัพพันธ์รังสีมีพระรูปปรากฏอยู่ตรัสระกถานีว่าบัณฑิตรู้จักกายนี้อันเปรียบด้วยหม้อกานจิตอันเปรียบด้วยนครพึงรบ ก, กับมาด้วยอาวุธคือปัญญาพึงรักษาความชนะที่ชนะแล้วและพึงเป็นผู้ไม่ติดอยู่คำว่ารู้จักกายนี้ หมายความว่าเป็นที่ประชุมแห่งอาการมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นอาทิซึ่งเปรียบด้วยหม้อเช่นกับภาชนะดินเป็นไปได้ชั่วการหนึ่งด้วยความเป็นของไม่ยั่งยืนคำว่ารูปกายคือนครธรรมดานาครมีคูลึกแวดล้อมด้วยป้อมมัน่นคงทั้งภายนอกถึงพร้อมด้วยถนนสีแพร่งมีร้านตลาดในระหว่าง ชื่อว่าจัดแจงดีภายในพวกโจรภายนอกคืออารมณ์หกอย่างมีรูปเสียงเป็นต้นมาสู่นครคือตาหูเป็นต้นด้วยคิดว่าเราจักปล้นก็ไม่อาจเข้าสู่นครคือวิญญาณหกมีเห็นได้ยินเป็นต้นก็ไม่อาจเข้าสู่นครได้ย่อมเป็นดังว่ากระทบภูเขาสะท้อนกลับออกไปชั้นใด คุลบุตรผู้ฉลาดผู้เป็นบัณฑิตก็ฉันนั่นเหมือนกันการวิปัสนาจิตของตนทำให้มั่นคงคือควบคุมผัสสะให้เป็นเช่นกับนครคือห้ามกิเลส ท, ที่ประตูที่ช่องทางนั้นๆพึ่งฆ่าด้วยอาวุธคือปัญญาอันสำเร็จแล้วด้วยวิปัสนาพิจารณารูปนามและสำเร็จแล้วด้วยอริยมรรคคือเศีสมาธิปัญญา ชื่อว่าพึงรบคือพึงประหารกิเลสมารดุดนักรบยืนอยู่ในนครรบหมู่โจรด้วยอาวุธมีประการต่างๆชนี้กุลบุตรต้องเสพอาวาาเป็นที่สบายคืออาว่าสัปปายะโภชนะที่สบายคืออาชีวะและอาหารสัปปายะฤดูเป็นที่สัปปายะคืออุตตุหรืออากาศสัปปายะ บุคคลเป็นที่สบายคืออารมณ์สปายะและการฟังธรรมเป็นที่สบายคืออาจารย์อริยบทสปายะเข้าสมาบัติในระหว่างระหว่างออกจากสมาบัตินั้นพิจารณาสังขารด้วยจิตอันหมดจดชื่อว่าพึงรักษาธรรมอันทีชนะแล้วคือวิปัสนาอ่อนที่ตนให้เกิดขึ้นแล้ว พึงเป็นผู้ไม่มีอาลัยเหมือนอย่างว่านักรบทำซุ้มเป็นที่พักพลในภูมิประเทศเป็นที่ประชิดแห่งสงครามรบอยู่กับพวกอมิตรเป็นผู้หิวหรือกระหายแล้วเมื่อเกราะย่อนหรืออาวุธพลัดตกก็เข้าไปยังซุ้มพักพลพักผ่อนกินดื่มผูกสอดเกราะจับอาวุธแล้วออกรบอีกครั้ง ย, ย่ำยีเสนาของฝ่ายตรงข้ามชนะประปักชนะที่ยังไม่ได้ชนะ คือปหาณะประธานรักษาชัยที่ชนะแล้วคืออนุรักษณาประธานภิกษุนั้นก็เหมือนกันมันเข้าออกสมบัตินั้นพิจารณาสังขารทั้งหลายด้วยจิตอันหมดจดย่อมรักษาวิปัสนาอย่างอ่อนที่ได้เฉพาะแล้วย่อมชนะกิเลสมารด้วยความได้เฉพาะซึ่งมรรคผลอันยิ่ง ถ้าว่าภิกษุนั้นย่อมพอใจในสมาบัติอย่างเดียวไม่หมั่นพิจารณาสังขารด้วยจิตอันหมดจดย่อมไม่สามารถทำความแทงตลอดมักและผลได้เพราะเหตุนั้นเมื่อรักษาธรรมที่ควรรักษาพึงเป็นผู้ไม่ติดอยู่คือพึงทำสมาบัติให้เป็นที่เข้าพักแล้วไม่ติดอยู่คือไม่ติดไม่หลงชาญได้แก่ไม่พึงอะไรในสมาบัตินั้น เธอทั้งหลายพึงทำอย่างนั้นในเวลาจบเทศนาภิกษุทั้งห้าร้อรูปบรรลุอรหัตพร้อมทั้งปฏิสัมพิทาทั้งหลายสันเสริญชมเชยทั้งถวายบังคมพระสารีระอันมีวันะเพียงดังทองของพระตถาคตลงมาแล้วดังนี้แหละบทสวดกรณียเมตสูตร การสวดมนต์ที่ดีนั้นควรแปลได้เข้าใจความหมายนะครับในที่นี้ขอยกมาอ่านให้ฟังเฉพาะคำแปลไทยกรณียเมตสูตรกิจนั้นใดอันพระอริยเจ้าบรรลุบทอันระงับกระทำแล้วกิจนั้นอันคุณบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์พึงกระทำคุณบุตรนั้นพึงเป็นผู้อาจหารและซื่อตรงดีเป็นผู้ที่ว่าง่ายอ่อนโยนไม่มีอติมานะเป็นผู้สันโดษเลี้ยงง่าย เป็นผู้มีกิจธุระน้อยประพฤติเบากายจิตมีอินทรีย์อนุระงับแล้วมีปัญญาเป็นผู้ไม่ขนองไม่ผัวพันในสกุลทั้งหลายวินยูชนติเตียนชนทั้งหลายอื่นได้ด้วยกรรมอันใดไม่พึงประพฤติกรรมอันนั้นเลยพึงแผ่ไมตรีจิตไปในหมู่สัตว์ว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิด สัตว์มีชีวิตทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่ยังเป็นผู้สะดุ้งคือมีตัณหาหรือเป็นผู้มั่นคงคือไม่มีตัณหาทั้งหมดไม่เหลือเหล่าใดยาวหรือใหญ่หรือปานกลางหรือสั้นหรือผอมผีเหล่าใดที่เราเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นเหล่าใดอยู่ในที่ไกลหรือที่ไม่ไกลที่เกิดแล้วหรือกําลังสแสวงหาพบก็ดีขอสัตว์ทั้งปวงเหล่านั้น จงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิดสัตว์อื่นอย่าพึงขมเหงสัตว์อื่นอย่าพึงดูหมิ่นอะไรอะไรเขาในที่ไรๆเลยไม่ควรปรารถนาทุกแก่การละกันเพราะความกริ้วโกรธและเพราะความขุ้มแคนมารดาถนอมลูกคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยยอมราชีวิตได้พึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้น บุคคลพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องเฉียงเป็นธรรมะอันไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูผู้เจริญเมตตาจิตนั้นเยือนอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีนั่งแล้วก็ดีนอนแล้วก็ดีเป็นผู้ปราศจากความง่วงนอนเพียงใดก็ตั้งสติอันนั้นไวเพียงนั้น บัณฑิต ท, ทั้งหลายกล่าวกิริยาอันนี้ว่าเป็นพรห ม, มวิหารในพระศาสนานี้บุคคลที่มีเมตตาไม่เข้าถึงทิฏฐิเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยทัศนะนำความมกมุนในการทั้งหลายออกย่อมไม่ถึงความนอนเกิดในคันอีกโดยแท้ที่เดียวแล